ไม่จเป็นต้องไปแต่แต่งตัวดีดังตามสอบนี่คือเป็นงานที่ น, น่าจะลื่นลื <c oughs> ่นแต่ไดจะไปปีกลองร้องเพลงดีดจิต้าร้องเพลงดีดพินร้องเพลงแบบท่านจังจื้อก็ไม่ไหวนะท่านปราดจังจื้อเนี่เป็นเมเทจีนเวลาภรรยาท่านตายท่านปีกองร้องเพลงมีความสุขเล <c oughs> ้นรำเหมือนปลดภาระหน้าที่อะไรสักอยา่า <c> ง <oughs> เป็นได้ไหมพอญาติทางฝ่ายภรรยาท่านมาเห็น ท่านทำแบบนี้ดูดูไม่ถูกแทนที่จะใส่ชุดขาวหรือใ ส, ส่ชุดที่ตามประเพณีไว้ทุกให้กับภรรยาท่านหน่อยอะไรยังไงก็เคยอยู่เคยกินด้วยกันญาติๆก็ต่อว่าท่านเราจังเจอก็บอกว่าแต่ก่อนฉันก็ไม่เคยเจอเธอ <c oughs> จู่ๆก็ได้มาเจอแล้วก็มาอยู่ร่วมทางชีวิตจู่ๆเธอก็ไปแต่ก่อนฉันก็ไม่รู้จักหน้าเธอเลยก็มาอยู่ด้วยกัน นั้นก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่ ง, งที่ดีเหมือนกันการตายก็เป็นสิ่งที่ดีการพระพาก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันการตายเราจะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ยังไงเราไม่ควรจะทําท่าโศกเศร้ากับการตายนี้เลยควรจะเลืน่นเลืองมีความสุขมันยังจะดีไม่ไม่ใช่ไปนั่งร้องไห้ตามกันอะไรเย่านี้ท่านก็มีผลของท่านนี่มุมมองทัศนะของท่านจังจือ้อปัดเมธีจีนเป็นเป็นสิทธิ์รุ่นต่อของท่านเหล่าจือ้อ <c oughs> เป็นวิถีแห่งเตา่าแบบเตา่า <c oughs> พอมาวิถีเตา่าวิถีธรรมชาติวิถีแบบเข้าใจซับซ้อนเลยมาบวกกับวิถีพุทธก็กลายเป็นเซนเป็นวิถีเซนวิถีใจใจก็อย่างท่านตักมอเนี่ยท่านเอาพัะแตปีดกมาไหมไม่ได้เอามาอพอเต่านี่ม่ถือเป็นเซนเป็นเตทาใช่ไหมครับไม่เดินทีไม่ใช่เป็นพุทธเป็นศาสนาเต่าเซนนี่เป็นเต่าพอมาเป็นเซนนี่ก็เป็นพุทธเป็นพุทธแบบที่กายเซน บ่อ <c oughs> เตาบวกเซน ก, ก็พุทธศาสนาดั้งเดิมมาบวกเซนก็เป็นบวกเตาก็เป็นเซนก็เป็นวิถีใจเป็นพุทธศาสนาทางใจเพราะทุกวันนี้พุทธศาสนาหล่อน <c oughs> พุทธศาสนาวัตถุก็มีเยอะๆเลยสร้างโบสถ์วิหารแข่งกันสร้างกุฏิอะไรแข่งกันสร้างอะไรหลายๆอย่างกลายเป็นหลงทางไปเลยกลายเป็นไปไปอีกทางหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นพุทธเหมือนกันแต่เป็นพุทธหลายๆหลายๆมิติแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะต้องกบอกว่ามันหลายๆมิติเราเรียกว่าต้นไม้เป็นบ้านก็ได้เป็นอะไรก็ไ ด, ได้แก่นก็ได้เป็นกระพีก็ได้เห็นตรงไหนมันไม่งั้นเราก็จะไปขัดแย้งกับคนพุทธพิธีกรรมพุทธสร้างสรรค์นะก็เห็นความงดงามในสิ่งที่แตกตา่าง <c oughs> แต่เข้าใจสุญยอดมันภูเขารูปหนึ่งเนี่ยภูยงภูเนี่ยอาจจะมีเส้นทางขึ้นหลายเส้นใช่ไหม แต่ทุกเส้นก็คือไปสู่ยอดเขาของภูหยองภูแต่นั่นคือเป็นหลักสําคัญเป็นหัวใจสําคัญศาสนาพุทธเราก็เช่นกันอาจจะเริ่มต้นที่สวดมนต์โอเคเขาเริ่มต้นตรงนั้นแต่ปลายทางเขาเขมีเป้าหมายแต่ว่าจะช้าแต่เร็วก็แล้วแต่บุญวัสนาบ้างก็เรียกว่าอินทรีย์นะต่างๆกันกรรมน่ะดอกบัวซีเหล่าอ่ะอะไรประมาณร้อเข้าใจเขาแทนที่จะไปกล่าวโทษแทนที่จะไปดึงเข้ามาดึงมามันก็ไม่มามันจะสวดมนต์น่ะ มันจะนั่สมาธิมันจะเข้าชานมันจะทําอะไรต่างๆจะทำบุญอะทํามุญก็พอแล้วไม่ได้ไปดึงคนบรรทุดงอย่าไปอย่าไปพยายามมันมากบอกครั้งเดียวก็พอแล้วจะมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่มันวาสนาไม้เหมือนกันบารมีไม่ถึงไม่เท่ากันอินทรีย์ <c oughs> ก็ร่อนอยู่ที่สูงหน่อยแต่นกกระจอกนก อ, อนกะไรที่หายจิตตามพื้นดินบางนกควันปินก็เดินเดาอย่าไปชวนนกควนพินมาบินร่อนเหมือนพยาอินทรีย์ชนง่ายหมดเลยสาคนที่ชนง่ายหมดเลย คือบารมีกล้าบางทีเราต้องเข้าใจคู่คน <c oughs> เข้าใจหมู่คณะเข้าใจเพื่อนร่วมโลกอุว <c oughs> ปณิสัยไม่เหมือนกันศ <c oughs> าสนาไม่เหมือนกันอินทรีย์ไม่เท่ากัน <c oughs> ทีนี้นเวลาเห็นคนนั่งสมาธิอย่าไปปามาศอย่าไปกล่าวโทษเขาโอ้เป็นเช่นนั้นเองใบ ไ, ไม้กําลังเก็บก่อข้อมูลข่าวสารกุหลาบต่อไปก็จะเบิกบานอย่าไปดูถูกมันเวลาเขาเห็นเขาบูชายันก็อย่าไปว่าเขาอ๋อมันเช่นนั้นเอง วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นพุทธศาสนาก็ได้อาจจะบรรลุธรรมเป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์แบบพระองค์คุริมานก็ได้อย่าไปดูถูกมันมเพราะว่ามันอยู่ในขั้น<ๆ>เขาเรียกว่าวัยวัยจิตไหวใจเหมือนวบต้นไม้เนี่ยตอนนี้มันเขียวมันสดมันอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนที่เขายังทําชั่วบางคนทําชั่วในสมัยนี้ก็เยอะวัยรุ่นทุกวันเนี่ยไปพูดกับธรรมะมันไม่รู้เรื่องหรอกไม่เอาไ ม, ไม่สนใจล้าหลังล้าสมัย ทานความเจริญธรรมะนะคนปฏิบ <acceso> ัต <itation> ิธรรมมือคนบ้าเขาว่าอย่างนี้คนขวางโลกไม่สร้างไม่ทําอะไรบางทีเราก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำอะไรนั่งสมาธินั่นคือปฏิบัติธรรมนั่งทางในเห็นอะไรบ้างเห็นเทวดาบ้างไหมติดต่อเทพเจ้าได้ไหมถ้าใครติดต่อได้ก็ลาบสักกะละสูงพอจะไปมอมเมาคนต่อไปไงมอมเมาลุกสิได้แต่ถ้าวิถีธรรมชาติอัน้อยอันนี้เปิดตาให้คน มืมตาขึ้น <c oughs> วิธีเปิดตาวิถีเองพุทธท่านี่คือเปิดตาทําให้คนเป็นคนทําให้คนรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถเป็นพระได้ด้วยตนเองประมาณนั้ไม่งั้นก็ถูกมัมเมาถูกวางยาแต่ว่ามันก็จะมีคนที่สนใจวิถีการตื่นรู้เป้าหมายจุดสามเหลี่ยมของยอดสุดของภูยงภูยอดเอเวอเรสต์เปรียบดัยอดเอเวอเรสต์คือยอดแห่งการตื่นรู้ <c oughs> พอที่อยู่ยอดแอฟริกาเนี่เห็นทุกทิศทุกทางเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นหมดเลยเห็นเส้นทางทุกเส้นที่เดินจากมาเห็นคู่คนเห็นทิศทิเห็นพิธีกรรมมากมายเห็นคนยึดมั่นถือมั่นอยู่ในมุมไหนซอกไหนของหุบเขาเราก็ตื่นรู้เฉยๆแต่ถ้าอยู่ในหุบเขาก็ทําพิธีกรรมนั่งสมาธิทําบุญทำทานสร้างบารมีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ก็คือเป็นฐานเป็นวัยของจิตนั้นเราจึงไม่ประมาดกับใครไม่ไปทะเลาะอะไคนตั้งอยู่บนด้วยกเขาไม่ทะเลาะกับใคร แค่รับทราบเห็นเฉยๆเห็นสักว่าเห็นนั่นแหละก็เขา้ามือบีรู้สักว่ารู้ว่าต้องทําอะไรแต่คนอื่นเขาจะมองเราอย่างไงก็แล้วแต่เขาเพราะวิธีแห่งการตื่นรู้ก็เป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้อยู่แล้วไม่มีใครสร้างขึ้นมาไม่มีใครปรุงแต่งมันมามันเป็นข้อมันอยู่แล้วมันเป็นเตืนการตื่นรู้แบบธรรมชาติแล้ววิธีแห่งการตื่นรู้แล้วมาสัมพันธ์กับปรากรตการที่เกิดขึ้นแต่เพียงแต่เราไม่เข้าใจว่า ตามเป็นจริงเป็นยังไงสิ่งต่างเป็นตามเป็นจริงยังไงมีคนแนะนําว่าตื่นรู้อะไรอบางคนเนี่ยต่างตื่นรู้อะไรอะไรมาให้รู้ก็รู้ะเห็นทั้งความงดงามเห็นทั้งความแห้งเหี่ยวเห็นทั้งความมืดเห็นทั้งความสว่างเห็นทั้งความสุขทั้งความทุกข์จะผ่านมาโคจรผ่านมานั่นแหละตื่นรู้ตรงนั้นแหละเรื่องราวต่างๆก็มันก็จะเป็นธรรมชาติไม่เข้าไปต่อต้านไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบิดเบือนไม่เข้าไปหลบเลี่ยงหรือว่าหลีกหนี ทุกอย่างจะสอนทำเราในรูปแบบที่แตกตา่างครูบาอาจารย์ที่เริ่มจากสมาธิเริ่มจากสืส่ศีลเคร่งขรดหลรงจากข้อวัดมากมายเริ่มจากพิีกรรมมากมายทุกทัศน ท, ท, ทุกศาสนาจะพัฒนาการมาสู่การตื่นรู้แบบธรรมชาติจนไร้รูปแบบไร้จุตนและไร้ทุก ไล้ความสับสนไม่ทะเลาะกันในที่สุดก็คือพัฒนาการมาสู่จุดนี้อยู่ในรูปแบบไหนก็ได้ศาสนาไหนก็ได้ <c oughs> เป็นคนธรรมดาก็ได้เพราะทุกคนมีใจไงเน้นเน้เนที่ใจม <c oughs> ลอกเปลือกควบพิธีกรรมออกไปลอกเปลือกไอท้ที่ขั้นตอนอะไรต่างๆไปและลอกเปลือกศาสนาเอาไวคนเราก็จะไม่มีศาสนามาแบ่งกันมันจะลบกันหมดเพราะทุกคนมีใจ <c oughs> ผิงไม้หสัมผัสใบหน้าหนกแย้มเย็นๆนะใกล้ๆเรามากสิเรานี่ยในภาพจำลองตื่นรู้วิธีไหนคุณนะ่มันเป็นการตื่นรู้อยู่แล้วเซนก็อย่างว่าเพียงแต่ลืมตาขึ้นมา <laughs> เพียงแต่เธอตื่นและลืมตานั่นแหละคือเป็นการตื่นรู้เป็นพุท ธ, ธะแล้วเร <laughs> อ, อะไรทำไมสารวจลงไปคุณทุกหรือไม่คุณมีปัญหาหรือไม่ดูตรงนี้ นั่งตัวนี้มันมีปัญหาไหมสำรวจลงไปตรวจสอบลงไปปวดไหมเกรียดไหมรักไหมหลงอะไรไหมวุ่นไวายอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยปวดก็เห็นความปวดก็มีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาก็แค่ปวดลมเห็นลมสัมผัสกับลมถ้ามันไม่มีปัญหาก็มไม่เป็นไรแค่ลมนั่งตัวนี้มันทุกข์มันคันมันคลายมันต่อต้านสถานที่ไหม ถ้ามันไม่ต่อต้านไม่ม่มองขดม โ, มโหงหนั้นก็ธรรมดาแล้วก็ดีแล้วท่านนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาก็เป็นพุทะแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุาดแล้วนั่นแหะรู้อะไรก็คือรู้ในสิ่งที่เห็นนี่แหละนี่ก็รู้ทุกอย่างเลยนั่นคืออย่างนีน <c oughs> แต่ไปทําอะไรซับซ้อนว่านั่งเห็นติดต่อกเทวดาแล้ว <c oughs> อนนั้นมันเครืองไก่ตัวไปเรื <c oughs> ่องเวอร์เจอร์เรื่องเวอฝันแต่มันเรื่จินตนาการไปยิ่งแล้ววิธีแห่งการ ตื่นรู้นี่คือเป็นเรื่องชีวิตปรรมดาเรื่องชีวิตประจาวัน <c oughs> นี่ถ้าเป็นหมอกแบบวันแรกนี้เอาเรื่อง น, นั้นเดินเข้าป่าเนาะเดินแบบทันารยุสัยแค่สิบเมตรเนาะวันแรกเนาะ <c oughs> <c oughs> ลาคนละเรื่องกันเลยอันนี้เป็นแจวเลยเดินปาเขียวเลยพันหนึ่งป็นไงพันหนึ่งลุงนึ่งเยานไปไหนครับพี่ยุดเดี๋ยวผ่อนคลายท่อนเือเดี๋อีกกิโลกว่านิดเดียวตามลงไปยังทางล่า ต้นไม้สองข้างลำธารก็จะวสวยๆต้นไม้สวยค่อยเดินไปถึงสะอโนโดาตถึงสะอโนโดาตฝายวีเวอร์รู้จักฝายวีเวอร์ไห ม, มวีเวอร์มันชอบไปกั้นน้ำนะมันไปกัดต้นไม้ต้นต้นอย่างเงี้ยกัดลากไปแล้วไปติมน้ฝายเอาขี้โคลนมาโปะเอาใบไม้มาโปะแล้วน้ำที่ขาดวังนี่ไหลลินนี่มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นรั่วตรงนี้นมันก็ไปอุดไง อุดๆแล้วก็เป็นฝายเป็นน้ําเป็นวังจากที่ไม่มีน้ําเป็นวังเป็นโดดได้อาบได้กั้นไว้เพื่ออะไรกันเอาน้ําไว้เพื่อเป็นบ้านมันไงวีเวอร์ชอบทำตัวงั้นแต่นี้ทีนี้ไอธรรมชาติทานน้าตัวนี้ไหลลงไปเนี่ยมันก็ตรงไหนมันแรงมันก็ซาะหินมันเป็นอ่างศิลาเป็นอ่างหินแล้วเป็นสะน้ําไงเป็นวังเป็นวังแล้วมีเห็นตรงที่ซ่อมไม่ขาดมันก็เป็นกั้นไว้ ขังน้ําก็ขังอยู่วังแล้วก็ไหลล้นไปอีกเป็นวังต่อไปเรื่อยๆไงแล้วมาสะแก้วเป็นสะเหมือนฝ่ายวีเวอร์อปกติคลองเรานึกถึงว่ามันลาดลาดไปเรื่อยๆไม่มีขังไงมันไม่มีไม่ผิดแห่งมีวังอะไรอันนี้มีแหว่งออนเซนออนเซนพี่ออนเซนเลยมันเล็กในป่าใหญ่ถ้าสาวๆนะถ้าไปว่ายน้ําอยู่กลางสารนะผ่านป่ามาเห็นไหมทุกอย่างเงียบเลยสามสาวนะสามสี่สาวว่ายน้ำอยู่กลางสารนะ ทานป่าได้เลยไม่กินนาฬิ่าเป็นสีโทนสงสาวรุ่นไหนเนียเขาบกว่าป่าป่านี่มันดูมันดึกดาบันไงอยู่ๆเดินโผัวมานี่มีเอคนมาอยู่ป่ามันน้อยนะคนเดียวมาอยู่ป่าเนี่ยอย่างคณะเรานี่ก็เป็นปีละครั้งเท่านั้นเองใครจะมาเล่นหน้าสงการมาอยู่ป่าอสแล้วก็มีแต่พานป่าที่จะเข้ามาป่าเออ หิวเหรออ๋อปล่าไฟชิดขาดอ๋ออ๋อไม่ยากหรอกจำได้ไหมสุเทพได้เดี๋ยวนำเลยทีนี้กับช่อหนึ่งกับพานหนึ่งดูว่าให้ให้ให้พานหนึ่งดูสำรวจดูเส้นขวามือขวามือดูว่ามันพอเดินได้ไหมถ้าเดินไม่ได้ก็ข้ามฝั่ง อืออทีนี้เดินพิกัดคื อ, อยาหนีคของน้ําสายน้ำมันจะไหลลงไปไหลโค้งใส่โคง้โคงมานี่ยาหนีจากคลองน้ําำเดินริมตะลิ่งบ้างห่างมาสิบเมตรบ้างยาีิบเมตรก็ยาหนีคลองน้ำํำยาหนียาหนีจากคลองน้ําเพราะพิกัดเราก็อยู่ในอคลองน้ําอำไปตามคลองน้ําท่ามันก็จะไปตามทางช้างข้ามไปข้ามมาอ <c oughs> แต่ยาหนีคลองน้ํา มันไม่เป็นทางแบบนี้เราก็จะอาจจะตัดตัดไปตามคลองน้ําลัดล็อะไปเรื่อยๆจะมาข้ามคลองน้ํากี่คลองน้ําสองอ๋น้ําน้ํานี่มีสายเดียวมีสายเดียวสายใหญ่จับเป็นสายเมนเลยเป็นเส้นเมนเลยเราเดินเลาะไปตามคลองน้ำเลาะไปตามคลองน้ําแต่ว่าสายเล็กๆไหลลงมาสายติบคลองใหญ่เนี่ยอย่าไปใส่ใจมันแค่แค่ข้ามไปเฉยๆสายเล็กเป็นร่องเป็นอะไรเอ๊ะฉันข้ามข้ามน้ําฝั่งนี้เราไม่ใช่นะ ้าคลองเลยเรยกข้ามล่องน้ําที่ไหลตกคลองใหญ่อย่างเงี้ยต้องสังเกตอีกน้ําใหญ่เนี่ยมันต้องมีน้ําตลอดแหละมีน้ําถึงจะมีหินมีแก่งก็เป็นน้ําสังเกตดูได้ว่าเป็นลาธารคือมันเป็นลาธารไอที่คลองเรียๆนี่ลงมานี่เราข้ามเอ๊ะเหมือนกับเราข้ามคลองหรือเปล่าอะมันไม่ใช่ต้องสังเกตดีดีวิธีฝึกเดินป่า นี่ก็ต้นมะกอกนะเป็นมะกอกมะกอกมะกอกมะกอกมะกอกกอกเขาเรียกอะไรไอ้ที่ภาษาไทยก่างอ่ามะกอกมะกอน่ะมะก้อน่ะภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรเพิ่งเคยได้ยินเองที่มันเป็นลูกแล้วร่วงออกมาแล้วก็เอาไปต้มกินไงแล้วมันมีมีแป้งข้างในอ่ะ ได้ยินไปเ้เลกากอกอมักอมกอมกอนี่แหละต้นมักอไปต้มกินแป้งทานแทนข้าวได้เป็นแป้งเหมือนเผือกเหมือนมันมันไม่ออกลูก นั่งนานแล้วหนาวหนาห่วงเลยค่ะัเอ้ยจังห่วงดุ่มคนนี้เขาหนาวหนาวเป็เมษา